สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงปรารณาไตรคำนำในการพิมพ์ครั้งแรกผู้ที่จะศึกษาเรื่องพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณให้เข้าใจอย่างทราบซึ้งนั้นประการแรกที่สุดที่จะต้องกระทำคือ หัวข้อซึ่งเป็นคำบาลีพร้อมทั้งคำแปลสั้นๆดังที่นำมาพิมพ์ไว้ในอันดับต่อไปนี้จะต้องพยายามท่องจำให้ขึ้นใจพร้อมกับนึกแปลในใจได้ทันทีด้วยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะถ้าหัวข้อจำไม่ได้หรือจำได้แต่แปลไม่ได้ก็ไม่มีทางที่จะเกิดความทราบซึ้งในเรื่องคุณของพระรัตนตรยัยเพราะเหตุนี้จึงต้องนามาพิมพ์ไว้ในตอนนี้ก่อนดังต่อไปนี้ พุทธคุณอิติปิแม้พระเหตุนี้โสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอะระหังซึ่งเป็นผู้ไกลกิเลสเป็นผู้ควรไหว้ควรบูชาสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบวิชาเจรณะสัมปันโนเป็นผู้บริบูรณ์แล้วด้วยวิชาและเจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกาวิถูเป็นผู้ทรงรู้แจ้งโลก อนุตรโรภพุริสธรรมมสารถิเป็นผู้ฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษยานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้เบิกบานแล้วภัควาติเป็นผู้จำแนกธรรมดังนี้ธรรมคุณสวากขาโตภัควตาธมโมพระธรรมคือคำสอนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏิโก เป็นความจริงที่บุคคลพึงเห็นได้เองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ไม่มีการเวลาคือให้ผลได้ไม่จำกัดการเวลาเอหิปัสิโกเป็นความจริงที่จะร้องเรียกผู้อื่นให้มาดูได้คือมีเหตุผลที่พิสูจน์ได้โอปัญญิโกเป็นความดีที่ไกๆจะพึงน้อมนำเข้ามาในตนได้ปจัจจตังเวทิตาโพวินยูอีติเป็นสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งวิญยูชนทั้งหลาย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 เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นสามีจิตปฏิปัโนโนภคะวะโตสาวกสังโคมูแห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรยะที่ทางมูแห่งสาวกนี้คือใครจตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคลาคือพระอริยะบุคคลนับเป็นคู่ได้สี่นับเรียงองได้8ดคือตั้งแต่โซดาบันถึงพระอระหัน เอสาพรวัโตสาวกสังคโคนี่แหละคือหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยซึ่งเป็นผู้ควรแก่ศักระระที่ก็นํามาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับทักินไนโยเป็นผู้ควรแก่ทัศนธาทานคือของทําบุญอัญเชลีการานิโยเป็นผู้ควรแก่การไหว้อนุตระังปุญญเขตตังโลกสาติ เป็ น, นาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้โดยปกติคนทั่วไปนิยมการสวดมนต์ก่อนเข้านอนหรือไม่เช่นนั้นก็ในตอนเช้าหรือในเวลาใดเวลาหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับตนเองการสวดมนต์ที่คนไทยส่วนใหญ่จะต้องสวดกันอยู่เสมอก็คือขุนของพระรัตนตรายดังที่กล่าวมาซึ่งเป็นการสวดอย่างพิสดารแต่ถ้ามีเวลาน้อย ก็จะสวดแต่เพียงสั้นๆดังต่อไปนี้ระหังสัมมาสัมพุทโธพักวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ตรัสรู้เองโดยชอบพุทธังพักวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าขออภิวาทกราบไหว้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นสวากขาโตพักวตาธโมพระธรรมคือคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ธรรมมังนมะสมามิข้าพเจ้าขอนมาสการซึ่งพระธรรมสุปฏิปันโนภะวโตสาวกสังโคหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วสังคังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมบรรดาสาวกที่ปฏิบัติดีทั้งหลายเหล่านั้นบทสวดมนต์ดังที่กล่าวมานี้โดยปกตินักเรียนได้สวดกันเป็นประจำในเวลาก่อนเรียน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 แทนความคิดฟุ้งซ่านในเวลาอยู่ว่างๆไม่มีอะไรจะทำเช่นนั่งอยู่บนรถหรือในเวลาที่เราพักผ่อนนอนบนก๊ออีเอ็นครึ่งตัวหรือในเวลานอนก่อนที่จะหลับแทนที่เราจะนึกถึงเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆโดยไม่มีสาระเราก็นึกสดมนในใจซ้าไปซ้ามาจนกว่าจะหลับโดยวิธีนี้จะเป็นการเพิ่มพูนสมาธิได้อย่างดียิ่งโปรดจำไว้ให้ดีว่า คนที่หมั่นฝึกสมาธิไว้เสมอเท่านั้นในเวลาที่มีเรื่องยุ่งยากลำบากใจเกิดขึ้นหรือในเวลาที่ต้องการจะ ร, รวบรวมกำลังใจกำลังสติปัญญาเพื่อตัดสินปัญหาหรือเพื่อคบคิดปัญหานั้นจึงจะสามารถทําใจให้สงบได้โดยไม่ยากแต่สําหรับบุคคลที่พอมีเวลาว่างก็ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยการกระทาเช่นนี้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 จะทำให้ชีวิตประจำวันมีแต่ความสดชื่นอยู่เสมอความเป็นห่วงตัวเองหรือความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปโดยลาดับและในที่สุดก็เป็นคนที่มั่นใจในะตนเองได้เสมอว่าชีวิตของตนจะไม่มีทางตกต่ำหรือไปเกิดในอบายภูมิมีแต่จะสูงขึ้นโดยลำดับอา น, นิสงของการสวดพุทธคุณธรรมคุณและสั่งฆคุณนั้นยังมีอีกมากมาย ขอ้ลองเริ่มต้นดูตามหลักที่กล่าวมาไม่นานเท่าไรท่านก็จะเห็นผลด้วยตัวของท่านเองแต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมว่าจะต้องพยายามอ่านเรื่องนี้ให้จบและอ่านอย่างละเอียดทีท่วนจึงจะได้รับรสในธรรมซึ่งเป็นรสที่เลิศยิ่งกว่ารสใดๆทั้งหมดลงชื่อพอรรัตนาสุวรรณวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราชสอง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 รู้จักประมาณตัวมันประกอบหน้าที่การงานแต่ในทางสุจริตและมีน้ำใจเอเือเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวรักความยุติธรรมและมันขวนขวายแสวงหาความรู้ต่างๆอยู่เสมอจะเรียนอะไรก็ตั้งใจที่จะเรียนให้เก่งจะทําอะไรก็พยายามทาให้ดีที่สุดประกอบทั้งมันฝึกฝนในทางสมาธิและวิปัสสนาด้วยสมมติว่า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 และประเสริฐยิ่งกว่าพระรัตนตรยัยเพราะแม้ในกรณีที่ไม่อาจจะแก้ไขาได้ด้วยการเงินหรือโดยอิทธิพลใดๆนั้นแต่พอนึกถึงพระรัตนตรัยก็จะทำให้มองเห็นทางที่จะแก้ปัญหานั้นๆได้และก็แก้ได้ผลจริงๆด้วยเช่นอย่างในระยะเวลาจะตายซึ่งทุกคนย่อมรู้อยู่ว่าอะไรๆก็ช่วยไม่ได้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 วิชาในที่นี้เมื่อพูดโดยย่อก็ได้แก่วิชาสามคือหนึ่งปุเพนิวาสานุสติญาณญาณที่ทำให้ระลึกชาติได้ 2. จุตูปปตาตาญาณญาณที่ทำให้เกิดตาทิพย์ซึ่งคนที่ได้ยา น, น, นี้สามารถที่จะมองเห็นชีวิตที่กำลังจุติลาปฏิสนธิเพราะมองเห็นโอปปาติกะคือกำเนิดประเภทหนึ่ง คือเทวดาพระมเปรตสัตว์นรกเป็นต้นแล้วรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องกฎของกรรมอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งแลวิชาที่สาอสวะคขยายานยานที่ทำให้กิเลสที่ฝังอยู่ในสันดานหมดสิ้นไปอันหนึ่งคำว่ายานกับคำว่าวิชาในที่นี้มีความหมายอย่างเดียวกันเช่นจะพูดว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาสามหรือยานสามก็มีความหมายอย่างเดียวกันขอได้โปรดจำไว้ด้วยว่าคำดังต่อไปนี้ในทางพระพุทธศาสนามีความหมายอย่างเดียวกันคือคำว่ายานวิชาปัญญาดวงตาในวงเล็บจักษุแสงสว่างในวงเล็บอะโลกะ เช่นในธรรมจักรกับประวัตินสูตรพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ายานปัญญาวิชาดวงตาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแกเราว่านี่คือทุกนี่คือเหตุให้เกิดทุกขนี่คือความดับทุกข์นี่คือทางให้ถึงซึ่งความดับทุกขอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้อ่านจะต้องทําความเข้าใจให้ดีว่าคําที่ใช้แทนกันได้เพราะมีความหมายเหมือนกันนั้น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 ได้แบ่งออกไปเป็น15อย่างและทั้ง15้าอย่างนี้ก็เป็นแต่เพียงตัวอย่างโดยสังเขปเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าความประพฤติอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวมานี้พระองค์ทรงปฏิบัติไม่ได้เจรณา15ตามที่แจกไว้ในคำภีนั้นมีดังต่อไปนี้ 1. ศีลสังวร ความสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อย 2. อ, อินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์ทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ 3. โพชเนมันมมตัญยุตาความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค 4. ชาคริยานุโย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 กาวิริยะความเพียร 10. สติความระลึกได้ 11. อปัญญาความรอบรู้ส2องปฐมฌานฌานที่หนึ่ง 13. ทุติยฌานฌานที่สอง 14. ตติยฌานฌานที่สามสิบห้า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 ขาราพเจ้าอธิบายมาแล้วหลายบทเฉพาะตอนนี้จะอธิบายเพิ่มอีกบทหนึ่งคือบทว่าสุขโตสุขโตตามสับแปลว่าสเสด็จไปดีในคำพีวิสุทธิมักได้อธิบายความหมายของคำนี้ไว้สี่อย่างคือหนึ่งคำว่าสุขโตซึ่งแปลว่าสเสด็จไปดีนั้นในความหมายอันหนึ่งหมายความว่า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 พระพุทธองค์ทรงทำอะไรถูกต้องเสมอไม่ต้องทรงแก้ไขอะไรกันอีกซึ่งในเรื่องนี้คนทั่วไปย่อมไม่มีทางจะทำได้แต่การที่พระพุทธเจ้าทรงทำได้ก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพัญยูทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาคืออภิญญาต่างๆเพราะฉะนั้นจึงไม่มีทางที่จะทรงทาอะไรผิดพลาดในข้อนี้รู้สึกว่าคนทั่วไปจะเอาอย่างไม่ได้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 เพราะคำว่าคัะตตามาจากคำกิริยาว่าคัตติก็ได้คัตติในที่นี้แปลว่าพูดหรือกล่าวสุแปลว่าดีงามถูกต้องเพราะฉะนั้นคำว่าสุคัโตจึงแปลว่าเป็นผู้ตรัสดีหรือตรัสถูกต้องซึ่งในคำพีพระไตรปิฎกได้บันทึกไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีหลักในการตรัสหกอย่าง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 ถึงแม้จะไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่นในบางครั้งพระตถาคดก็ตรัสวาจานั้นเหมือนกันเช่นตรัสเรื่องอริยศัสตร์แก่กา m นิ u a l l ซึ่งในขณะนั้นไม่ต้องการจะฟังเพราะต้องการจะฟังเรื่องแดนสุขาวดีอย่างนี้เป็นต้นสี่วาจาใดาไม่เป็นความจริงไม่มีประโยชน์ถึงแม้วาจานั้นจะเป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่น พระตถาคตก็จะไม่ตรัสวาจานั้นอาวาจาใดถึงแม้จะเป็นความจริงแต่ถ้าไม่มีประโยชน์และถึงแม้จะเป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่น of of พระตถาคตก็จะไม่ตรัสวาจานั้น 6. วาจาใดเป็นความจริงมีประโยชน์และเป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่นด้วยแม้ในการตรัสวาจาเช่นนี้พระตถาคต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 พระพุทธเจ้าที่ทรงสามารถสอนศาสนาได้ผลสาเร็จอย่างงดงามที่สุดก็เพราะพระองค์ทรงเป็นโลกะวิถูคือทรงรู้แจ้งโลกในคำพีวิสุทธิมัทท่านอธิบายความหมายของคำนี้ไว้กว้างมากโดยท่านอธิบายว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโลกทั้งสามคือโอกาสโลกสังขารโลกและสัตวโลกโอกาสโลก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 ถ้าหากคิดไปถึงจั ก, กรวาลอื่นๆหรือกาแล็กซี่อื่นๆเราก็จะพบว่าดวงจันทร์มีมากมายนับไม่ท้วนสิ่งที่น่าประหลาดก็คือพระพุทธเจ้าทรงทราบได้อย่างไรเพราะในสมัยนั้นไม่มีกล้องโทรทัศน์อันหนึ่งสำหรับผู้ที่เคยอ่านเรื่องโลกธาตุหรือจั ก, กรวาลที่มีผู้แปลออกมาจากคำพีในพระพุทธศาสนา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 ซึ่งาหากคนไหนมีมากก็ถ่ายทอดออกมาได้มากมีน้อยก็ถ่ายทอดออกมาได้น้อยด้วยเหตุนี้พระอาหารหันตุกองค์แม้จะได้อภิญญาเหมือนกันแต่ความรู้ความสามารถก็มีไม่เหมือนกันคือไม่เท่ากันสามต้องมีสมาธิดี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 ยาณที่เป็นกำลังในการสอนสิอย่างคือ 1. ฐานาะฐานญาณปริชากำหนดรู้ฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้และอาฐานะคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 2. วิปากยานปรีชากำหนดรู้ผลแห่งกรรม 3. สัตพคามินีปฏิปทาญานปริชากำหนดรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวง4นานานาตุยานปริชากำหนดรู้ท่าตต่างๆ5นานาธิมุติกยานปริชากำหนดรู้อาทิมุติคืออัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นไปต่างๆกัน อินทริยาปโรปริยตยานปริชากำหนดรู้ความหย่อนและยิ่งแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย7นานาทิสังกิเลสาธิญานปริชากำหนดรู้อาการมีความเศร้ามองเป็นต้นแห่งธรรมเช่นฌานเป็นต้น 8. อุเพนิวาสานุสติยานปริชากำหนดระลึกชาติผนหลังได้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 เป็นศาสนาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธคุณบทนี้ถ้าหากใครเข้าถึงคือเข้าใจความหมายแจมแจ้งแล้วรู้สึกเห็นด้วยอย่างจริงใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาคือสามารถเป็นครูแนะนำสั่งสอนคนได้ทุกชั้นทุกวันนะทั้งเทวดาและมนุษย์เขาผู้นั้นก็จะรู้สึกว่าถ้าตนเองมีเรี่ยวแรงมีสติปัญญามีทุนทรัพย์อยู่เท่าไหร่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 พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านรู้สึกหรือไม่ว่าพุทตคุณบทนี้มีความหมายลึกซึ้งเพียงใดพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีความสามารถที่จะแนะนําคนได้ทุกชั้นและทุกคนที่พระองค์ทรงแนะนําสั่งสอนนั้นถ้าหากเข้าใจคําสอนจริงๆแล้วจะไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะไม่ยอมรับว่าพระองค์เป็นครูที่สูงที่สุดสําหรับเขา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 คนที่ไม่ยอมรับก็คือคนที่ไม่เข้าใจคาสอนเท่านั้นในคำภี์ได้กล่าวไว้ว่าในเวลาเที่ยงคืนจะมีเทวดาซึ่งเป็นโอปปาติกะมาจากภูมิต่างๆทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงมาถามปัญหาพระพุทธองค์เทวดาชั้นสูงสุดก็คือเทวดาที่เป็นพระอนาคามีซึ่งเทวดาชั้นนี้เป็นเทวดาที่สูงที่สุดในสากลจักรวาล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 พระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะที่เป็นครูผู้ประเสริฐที่สุดสำหรับตนถ้าหากคนเหล่านี้ได้เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้ต่างตระหนักเป็นอย่างดีว่าเงินชื่อเสียงความรอบรู้ความยิ่งใหญ่หรือความสมบูรณ์ใดๆที่ตัวเองมีอยู่นั้นแม้จะวิเศษสัปปานใดก็ช่วยให้ตัวเองรู้แจ้งตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆไม่ได้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 พุทธคุณประการที่8ปพุทธโธคำว่าพุทธโธถ้าแปลทับศัพท์แปลว่าพระพุทธเจ้าคือคำว่าพุทธะยังไม่ได้แปล ى, เพียงจะเติมคำว่าเจ้าซึ่งเป็นคำที่แสดงถึงความหมายว่ายกย่องอย่างสูงไว้ข้างท้ายเท่านั้นแต่คำนี้จะเอาไว้ข้างหน้าก็ได้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 เด้กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรู้แจ้งซึ่งอริยสัจสี่ด้วยพระองค์เองและทรงสอนให้สัตว์อื่นรู้แจ้งได้ด้วยเพราะเหตุนี้อย่างนี้เป็นต้นจึงได้ทรงพระนามว่าพุทธข้อความที่กล่าวเมื่อ น, นี้คัมภีร์วิสุทธิมรรคได้นำมาอ้างไว้จากพระไตรปิฎกเล่มที่สามสิบจากหลักฐานอันนี้สาหรับคนที่ไม่ซึ้งในเรื่องอริยสัจ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 อันหนึ่งในอัธกถ า, ธาท่านได้อธิบายว่าอีกอย่างหนึ่งว่าการที่พระองค์ได้ชื่อว่าเป็นพุทธะนั้นเพราะได้รอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่ควรรู้หรือต้องการจะรู้พระองค์จะรู้ได้โดยไม่ยากซึ่งสำนวนใิคำพีได้กล่าวไว้ดังนี้ยังปณากินจิอัติเยยยางนามะสัพเพเสวะพุทธตาวิโมขันติกยาณวเสนพุทโธ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 ด้วยเหตุนี้จึงเรียงคำว่าสัมมาสัมพุโทโธไว้ในลาดับต่อจากคำว่าอารหังส่วนคำว่าพุโทโธซึ่งเป็นคำย่อมาจากคำว่าสัมมาสัมพุโทโธแล้วเรียงไว้ในลาดับสัตธาเทวมนุษยา์นังนั้นก็เพื่อต้องการที่จะเน้นในความหมายที่ว่าการที่พระองค์ทรงสามารถเป็นครูสอนได้ทั้งเทวดาและมนุษย์ทุกชั้นทุกประเภท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 พควาโดยปกติแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นการแปลทับศัพท์และการแปลเช่นนี้เป็นแต่เพียงให้รู้ว่าคานี้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นส่วนพระอรหันตสาวกองอื่นๆแม้จะเก่งสักเพียงไรก็ไม่อาจที่จะเรียกว่าเป็นพควาเช่นเดียวกับคำว่าพระตถาคตพระสุคตพระสัพพันญู คำเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคำที่หมายถึงพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นอันหนึ่งคำว่าพักวานี้ตามที่ท่านอธิบายไว้ในคำผีวิสุธทธิมรักนั้นมีความหมายหลายอย่างแต่ในเมื่อพิจารณาความหมายแต่ละอย่างรวมกันทั้งหมดแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าคำว่าภักวาเป็นคำที่รวมเอาความหมายในเรื่องพุทธคุณไว้ทั้งหมดตั้งแต่คำว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้น มาจนกระทั่งถึงคาว่าศัท ธ, ธาเทวมนุษยานังพุทโธนั่นเองคือหมายความว่าการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพระนามว่าภ ah ัควาก็เพราะพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบอย่างนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้คาว่าภ ah ัควาจึงจำเป็นจะต้องแปลทับศัพท์เพราะเป็นคำที่มีความหมายกว้างมากดังที่กล่าวมานี้ อันหนึ่งถ้าพิจารณาตามรูปประโยคมาตั้งแต่ต้นก็จะเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งว่าคำว่าพัควาใช้เป็นตัวประธานของพุทธคุณทุกบทซึ่งในเมื่อจะเรียงให้ครบตามรูปประโยคของภาษาบาลีก็จะเป็นดังนี้คืออิติปิโสพัควาอารหังแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต อิติปิโสภควาสัมมาสัมพุโทโธแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบอิติปิโสภะกวาวิชาเจรณาสัมปันโนแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและเจรณะอิติปิโสภควาสุขโตแม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สเสด็จไปดีอิติปิโสภะควาโลกาวิทูแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้แจ้งโลกอิติปิโสภะควาอนุตโรบุริสธรรมสารถิแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นสารตีฝึกคนที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่า อิติปิโสภะควาสัทธาเทวมนุษยานังแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นศ ส, สดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอิติปิโสภะควาพุทธโธแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธอิติปิโสภะควาภะควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจ จึงได้ชื่อว่าเป็นภัควะการแปลพุทธคุณที่ถูกต้องจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าภัควะซึ่งเป็นตัวประธานดังที่กล่าวมานี้ทุกบทในการพิจารณาความหมายพุทธคุณต่างๆนั้นไม่มีบทไหนที่จะมีความหมายกว้างขวางลึกซึ้งและซับซ้อนมากเท่ากับบทภัควะเพราะแม้ในคำภีเองก็อธิบายบทนี้ยาวกว่าบทอื่นทั้งหมด ยากแยะความหมายอธิบายอย่างละเอียดซึ่งแม้แต่ผู้ที่รู้ภาษาบาลีอย่างดีเวลาอ่านคําอธิบายบทนี้จะต้องใช้สมาธิอย่างมากมิฉะนั้นจะจับใจความไม่ค่อยได้แต่อย่างไรก็ดีถ้าหากเราเข้าใจแล้วว่าบทว่าพัควานั้นเป็นคำที่รวมเอาความหมายในเรื่องพุทธคุณไว้ทั้งหมดดังที่ได้กล่าวมาแล้วเราก็อาจจะถือเอาความหมายได้อย่างง่ายๆว่า พระพุทธเจ้าที่ได้ทรงพระนามว่าพัควาหรือที่เรียกในภาษาไทยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็เพราะเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเพราะเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบอย่างนี้เป็นต้นคำอธิบายเพียงสั้นๆดังที่กล่าวมานี้ต้องพยายามอ่านให้เข้าใจและจะทำให้จำได้ง่ายว่าพัควาแปล ว, ว่าอะไรได้บ้าง หรืออีกนัยยะหนึ่งจะทำให้เข้าใจว่าเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงพระนามว่าพัควาคำอธิบายที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้เป็นการถอดใจความมาจากคำอธิบายที่ท่านกล่าวไวในคำภีทั้งนี้ก็เพื่อให้จำง่ายสำหรับผู้ที่ไม่รู้ภาษาบาลีแต่อย่างไรก็ดีเพื่อต้องการที่จะแสดงหลักฐานให้ท่านเห็นว่า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 ทรงประกอบด้วยคุณธรรมของครูเพราะเหตุนั้นปราดทั้งหลายจึงได้ถวายพระนามว่าภัควานี่เป็นข้อความตอนหนึ่งที่ท่านได้กล่าวไว้และข้าพเจ้าได้ปลยอย่างตรงไปตรงมาตามศัพท์และตามวายาก์จากคำอธิบายนี้ท่านจะเห็นได้ว่าคำว่าภัควาเป็นชื่อสำหรับเรียกผู้ที่เป็นครูที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงสุด แต่อันที่จริงคาว่าพักวานี้เป็นคำที่ใช้มาก่อนพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกเช่นตัวอย่างในคำภีตอนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าสมัยหนึ่งภายหลังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดพระปัญจวัคคีให้ได้สาเร็จมรรคผลแล้วและต่อมาได้ทรงแสดงธรรมโปรดพระยาศาสกับสหายอีกห4บคนให้ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์และได้บวชเป็นพระภิกษุ ในพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็ได้ทรงพระอาหารหันต์เหล่านี้ทั้งหมดไปประกาศศาสนาในที่ต่างๆส่วนพระองค์เองนั้นจะเสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อจะทรงแสดงธรรมโปรดพวกดินสามพี่น้องและในระหว่างทางนั่นเองในขณะที่พระองค์กําลังทรงประทับเพื่อพักผ่อนอยู่ที่ไร่ฝ้ายใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งในสมัยนั้นสหายสาสคนซึ่งเรียกว่า พัทธวัคีแปลว่าพวกเจริญพร้อมทั้งภรรยาแล่นอยู่ในบริเวณนั้นสหายผู้หนึ่งไม่มีภรรยาสหายทั้งหลายจึงเป็นนาหญิงแพทยามาเพื่อประโยชน์แก่สหายผู้นั้นรันสหายเหล่านั้นเผลอไปไม่ได้เอาใจใส่ระวังรักษาหญิงแพทยาจึงได้ลักห่อเครื่องประดับแล้วหนีไปสหายเหล่านั้นชวนกันเที่ยวหาหญิงแพทยานั้นไปจนถึงที่พระศาสดาประทับอยู่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 จึงได้ถามท่านเกสีว่ากัทฐานุภควาเกสีกัปปะสะรามสิอัสมเแปลว่าท่านภควาเกสีทำไมจึงยินดีที่จะอยู่ในอาสมของกัปปดาบทท่านเกสีได้ตอบว่าความคุ้นเคยนั่นแหละเป็นรสอันเยี่ยมจากเรื่องในชาดกนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคำว่าภควา เป็นคำที่ได้ใช้กันมานานแล้วโดยถือว่าเป็นคำสำหรับเรียกผู้ที่เป็นนักบวชด้วยการยกย่องอย่างสูงแต่ปัญหาก็มีอยู่ว่าคำว่าพคะาวานี้มีความหมายอย่างไรบ้างจึงได้นํามาใช้เป็นคำสำหรับเรียกพระพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นที่รู้กันแต่เพียงว่าคำนี้เป็นคำสูงเป็นคำประเสริฐดังที่ในคำภีวิสุทธิมรักได้กล่าวมาแล้ว โดยธรรมดาคำบางคำที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกนั้นในเมื่อถูกนามาใช้ในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็มาจะให้ความหมายเสือใหม่ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเช่นคำว่าพรามเป็นคำมีมาก่อนพระพุทธศาสนาและเป็นคำที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงเพราะตามความหมายที่ใช้กันอยู่ในสมัยนั้นถ้าใครได้ชื่อว่าเป็นพราม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 เห็นได้ชัดว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงให้ความหมายของคำว่าพรามเสียใหม่ซึ่งผิดกับความหมายเดิมเพราะตามความหมายเดิมนั้นคำว่าพรามแปลว่าผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากพระพรหมซึ่งเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกในธรนองเดียวกันคำว่าพักวาแม้จะเป็นคำที่ใช้กันมานานแต่ในเมื่อ น, นามาใช้เป็นคำสำหรับเรียกพระพุทธเจ้านั้น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 ความหมายของคำนี้ตามรากศัพท์กล่าวไว้หลายนัยยะต่อไปนี้คือคำอธิบายที่ท่านได้กล่าวไว้ในคำพีวิสุทธิ์ที่มักความหมายที่หนึ่งคำว่าภควาแต่เดิมมาจากคำว่าภาคยวาซึ่งตามศัพท์แปลว่ามีพระภาคและคำว่าพระภาคในที่นี้ท่านหมายถึงบารมีทั้งสิบ เพราะเหตุที่พระพุทธองค์ทรงมีพระภาคคือบารมีต่างๆเช่นทานและศีลเป็นต้นอย่างยอดเยี่ยมอันสามารถจะยังความสุขทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระให้บังเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้ทรงพระนามว่าภัควาอีกในย่าหนึ่งคำว่าพระภาคนอกจากจะแปลว่าบารมีแล้ว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 แลบุคคลที่จะสามารถตั้งศาสนาซึ่งเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งปวงทั้งในทางโลกิยะและโลกุตระเป็นประโยชน์ทั้งแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหมดนั้นจะมีได้ก็เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นด้วยเหตุนี้คําว่าพักวาจึงเป็นชื่อสําหรับเรียกพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะเหตุไรคําว่าพระภาคจึงหมายถึงความสมบูรณ์แห่งบารมี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 คำว่าภัว่าอีกนัยยะหนึ่งท่านบอกว่ามาจากคําเดิมว่าพักว่าซึ่งคำนี้แปลว่าผู้หักหรือผู้ทาลายในที่นี้หมายความว่าเพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงหักคือทาลายกิเลสได้หมดทุกประเภทไม่มีกิเลสอันใดเหลืออยู่ในสันดานเลยเพราะเหตุนี้จึงได้ทรงพระนามว่าภักวาซึ่งแปลว่าผู้หัก หรือผู้ทำลายความหมายที่สามอีกนยะหนึ่งพัคกวาท่านว่ามาจากคำเดิมว่าพระเคหียุตโตแปลว่าเป็นผู้ประกอบไปด้วยพัคธรรมซึ่งคำว่าพัคธรรมในที่นี้ตามที่ได้อธิบายไว้มีความหมายอยู่หกอย่างคือหนึ่งอิสริยะ 2. ธรรมะ 3. ยศสศสิริหกาม 6. หปยัตตะอิสริยะแปลว่าความเป็นใหญ่ในที่นี้ท่านหมายถึงความเป็นใหญ่ยิ่งกว่าใค ร, รในด้านจิตใจเช่นท่านยกตัวอย่างว่าพระองค์ทรงสามารถทำให้ร่างกายเบาลอยไปในอากาศได้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 ด้วยอำนาจจิตของพระองค์ที่มีอยู่เหนือคนอื่นหรือจะพูดอีกนัยยะหนึ่งว่าพระองค์ทรงเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงคือไม่ว่าจะเป็นเทวดาวหรือมนุษย์หรือแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานพระองค์ก็สามารถที่จะเอาชนะได้เช่นทรงชนะช้างนาลาคิรีเป็นต้นธรรมะในที่นี้หมายถึงธรรมะทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระ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 ซึ่งปรากฏไปทั่วทั้งสามโลกเป็นพระยศที่ทรงได้มาโดยพระคุณที่เป็นจริงและบริสุทธิ์ยิ่งนักสิริหมายถึงความสง่างามแห่งร่างกายของพระองค์ซึ่งสามารถทำให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้พบเห็นกามะตามสัพแปล ว, ว่าความใกล้หรือความปรารถนา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 พระพุทธเจ้าทรงได้พระนามว่าภักาวะก็เพราะเป็นผู้ประกอบไปด้วยพักธรรมทั้งหลายคืออิสริยะธรรมะยศสิริกาะและปะยัตตะดังที่กล่าวมานี้ความหมายที่สี่คำว่าภักาวะอีกนัยยะหนึ่งมาจากคำว่าวิพัตตว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 แม้กระทั่งความหมายของสภาวะที่ต่างกันแม้เพียงเล็กน้อยพระองค์ก็ทรงแยกแยะไว้ให้เห็นซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในอันที่จะทําให้ผู้ศึกษามองเห็นถึงความหมายที่ลึกซึ้งของธรรมะจนกระทั่งในที่สุดทําให้มองเห็นถึงความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งปวงคำว่าวิพัตตวานอกจากจะมีความหมายดังที่กล่าวมาแล้วอีกในย่าหนึ่งยังหมายถึงว่า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 คำว่าพัควาอีกนัยยะหนึ่งมาจากคำว่าพัตตวาซึ่งแปลว่าคบหรือเสวนาในที่นี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงคบแต่ธรรมะอันเป็นที่อยู่ของเทพของพรมและของพระอริยะทั้งหลายล่าวคือภายในจิตใจของพระพุทธองค์นั้นจะทรงมีแต่ธรรมะอันเป็นลักษณะประจำใจ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 ทั้งหมดนี้ก็เนื่องมาจากการเข้าไม่ถึงคุณของพระรัตนตรัยนั่นเองอันหนึ่งตามหลักในคมภีวิสุทธิมักท่านกล่าวไว้ว่าคนที่จะเข้าถึงคุณของพระรัตนตรัยจริงๆนั้นจะต้องเป็นพระอริยาบุคคลหรือไม่ก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจธรรมะอย่างลึกซึง้งโดยเฉพาะคือต้องเข้าใจอริยศัสตร์อย่างแจ่มแจ้ง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 คุณข้อแรกก็คือสวากขาโตซึ่งแปลว่าตรัสไว้ดีแล้วพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ชื่อว่าสวากขาโตคือตรัสไว้ดีแล้วนั้นตามในคำพีวิสุทธิมัติท่านได้อธิบายความหมายไว้หลายนัยยะแต่เฉพาะนัยยะที่เข้าใจง่ายและควรแกการจดจาก็คือท่านบอกว่าพระธรรมได้ชื่อว่าสวากขาโต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 และถ้าหากเราได้เข้าถึงความงดงามของพระธรรมจริงๆแล้วก็เท่ากับว่าบัดนี้เราได้มีอุทยานที่รื่นรมอันเต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ผลนาน า, นาชนิดมีทั้งสระน้ำบัวบานและนกนานาพันธ์ยามใดที่เรารู้สึกเหน็เหนื่อยเมื่อลาเบื่อในเกิดความไม่สบายใจเมื่อเราได้เข้าไปในส่วนแห่งนี้แล้วความไม่สบายใจหรือความเครียดในอารมณ์ต่างๆก็จะหายไปพระธรรมชาตินั้นสวยงามท่านลองคิดดูให้ดี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 และธรรมะในบทธรรมคุณข้ออื่นๆก็หมายถึงธรรมะในขั้นโลกุตระธรธรมทั้งสิน้นคำจงกัดความที่ท่านได้กล่าวไวนี้มีความหมายลึกซึ้งมากและเป็นแง่คิดอย่างดีว่าคนที่จะมีศรัทธาในธรรมอย่างมั่นคงนั้นต้องได้บรรลุมากผลนิพพานถ้าหากยังไม่ถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่อาจจะพิสูจน์คาสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้น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 ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ต้องเป็นไปอย่างลึกซึ้งแต่พร้อมกันนี้ต้องเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์เรื่องอริยสัจเป็นอย่างดีด้วยและการเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์และอริยสัจนี้โดยธรรมดาจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อสามารถเข้าสมาธิได้สามารถทํานิวรณ์ให้สงบได้ไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่มีทางรู้แจ้งเรื่องไตรลักษณ์และเรื่องอริยสัจด้วยตนเองได้เลยเป็นอันขาด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 การสอนศาสนาที่ดีจะต้องหาทางให้ผู้เรียนหรือผู้ฟังมีโอกาสได้ฝึกสมาธิด้วยด้วยวิธีนี้เท่านั้นจึงจะทำให้คนทั้งหลายยอมรับว่าพระธรรมเป็นสิ่งพระเสริจจริงธรรมคุณประการที่สาอาการลิโก ไม่มีการพระธรรมมีคุณลักษณะอีกอย่างหนึ่งคืออาการลิโกซึ่งแปลว่าไม่มีการในที่นี้หมายความว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ทันสมัยอยู่เสมอทั้งนี้เพราะพระธรรมเป็นหลักความจริงและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนทุกยุคทุกสมัยเช่นเดียวกับอาหาร ซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนในสมัยไหนก็ต้องรับประทานอาหารทั้งนั้นและสิ่งที่เรียกว่าอาหารคือสิ่งที่ร่างกายต้องการจริงๆเพราะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนั้นเราจะเห็นได้ว่าย่อมเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นของคนชาติไหนนับถือศาสนาอะไรเมื่อพูดถึงชนิดของอาหารที่รับประทานอาจจะแตกต่างกันไปตามความนิยมของแต่ละสมัยหรือของแต่ละชาติหรือของแต่ละท้องถิ่น แต่เมื่อพูดถึงเนื้อแท้ของอาหารที่ร่างกายต้องการจริงๆเช่นโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ร่างกายย่อมต้องการเหมือนกันหมดทุกชาติทุกภาษาและเป็นสิ่งจําเป็นที่ทุกคนจะต้องรับประทานในทํานองเดียวกันธรรมะก็คืออาหารของจิตใจคนที่ไม่มีธรรมะอยู่ในใจจิตใจย่อมไม่สมบูรณ์เหมือนคนที่เป็นโรคขาดอาหาร และธรรมะทุกข้อที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกเฟ้นนำมาสอนนั้นก็เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำการวิจัยมาแล้วว่าอาหารชนิดใดบ้างที่ร่างกายต้องการซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นอาการลิโกเพราะเป็นหลักความจริงที่จิตใจของทุกคนต้องการเพื่อให้จิตใจสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่นคนที่ต้องการจะมีความสุขใจอยู่เสมอและมีความอดทนต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีก็เต่เมื่อในจิตใจของผู้นั้นจะต้องมีความเมตตากรุณามีความยุติธรรมมีสติปัญญามีความกล้าหาญอดทนและต้องรู้จักปล่อยวางอย่างนี้เป็นต้นถ้าคนไหนขาดคุณธรรมเหล่านี้แม้จะมีเงินมีอำนาจมีความสมบูรณ์ในด้านวัตถุสักเพียงไรก็ตามแต่ถ้าในจิตใจขาดคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้ว จิตใจจะเป็นสุขอยู่เสมอย่อมเป็นไปไม่ได้อีกในย่าหนึ่งคำว่ า, ากาลิโกซึ่งแปลว่าไม่มีการหมายความว่าถ้าหากผู้ใดได้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงหรือปฏิบัติตามธรรมะนั้นๆได้บริบูรณ์แล้วผลจะต้องเกิดเสมอไม่มีการรอเวลาหรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลา ว่าจะต้องเป็นสมัยนั้นสมัยนี้จึงจะมีผลดังเช่นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าถ้าผู้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ดได้บริบูรณ์ยังมีอยู่ตราบใดโลกก็จะไม่ว่านจากพระอระหันต์ซึ่งหมายความว่าผลของการปฏิบัติคือการได้เป็นพระอระหันต์นั้นไม่ใช่จะมีเฉพาะแต่ในสมัยครั้งพุทธกาลหรือในสมัยต่อมาในช่วงระยะเวลา2300ปีหรือส500ปีเท่านั้น แต่ในสมัยปัจจุบันจะมีไม่ได้เพราะพ้นสมัยมาแล้วความเป็นจริงถ้าหากในปัจจุบันนี้ถ้าใครได้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8และปฏิบัติได้ถูกต้องปฏิบัติได้อย่างบริบูรณ์เขาก็จะสามารถบรรลุมรรคผลได้เช่นเดียวกับในสมัยครั้งพุทธกาลจากหลักที่อ้างมานี้แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้นั้นก็เป็นอากาลิโก คือจะได้ผลทุกสมัยถ้าหากปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์แต่อย่างไรก็ดีความหมายตามที่ท่านอธิบายไว้ในคมภีนั้นท่านอธิบายเฉพาะแต่ในแง่ว่าถ้าอริยามรเกิดขึ้นเมื่อไหรอริยผลก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นทันทีไม่มีการรอเวลาเพราะเหตุที่พระธรรมมีลักษณะอย่างนี้จึงได้เรียกว่าอากาลิโกธรรมะไม่มีการ หรือไม่ขึ้นอยู่กับการธรรมะเป็นอากาลิโกเขาได้โปรดพิจารณาอีกครั้งและแยกประเด็นให้ดีเช่นเมื่อพูดในแง่ของปริยัติคือพูดถึงธรรมะในฐานะที่เป็นคำสอนจะเห็นว่าธรรมะของพระพุทธองค์เป็นสิ่งที่ทันสมัยใช้ได้ทุกโอกาสเพราะเป็นหลักความจริงที่ทุกคนจำเป็นจะต้องใช้อยู่เสมอ เหมือนกับอาหารและเมื่อพูดถึงในแง่ของการปฏิบัติธรรมะได้ชื่อว่าเป็นอากาลิโกหมายความว่าธรรมะเป็นสิ่งที่คนเราจะต้องปฏิบัติอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนเพราะโดยธรรมดาคนที่ดีในใจจะขาดธรรมะไม่ได้ถ้าขาดเมื่อไรก็แปลว่าจิตใจจะต้องบวกพร่องหรืออ่อนแอ และในที่สุดก็จะต้องเกิดความทุกข์และเมื่อพูดในแง่ของปฏิเวทคือการบรรลุมรรคผลนิพพานธรรมะที่ได้ชื่อว่าเป็นอาการลิโกหมายความว่าอริยมรกเกิดขึ้นเมื่อใดอริยผลก็จะเกิดขึ้นเมื่อ น, นั้นซึ่งในความหมายอันนี้ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายก็ต้องพูดว่าเมื่อเราปฏิบัติตามมรรคมีอง์า ไปจนกระทั่งมรรคแต่ละข้อสมบูรณ์คือในตัวเรามีมรรคทั้งแปดพร้อมหมดทุกอย่างเช่นความเห็นชอบความดาริชอบการพูดชอบเป็นต้นมรรคเหล่านี้แต่ละข้อมีอยู่ในตัวเราพร้อมและมีอยู่อย่างสมบูรณ์ซึ่งในเมื่อมรรคทั้งแปดสมบูรณ์เมื่อไรเราก็จะละสักยาทิฏฐิได้เมื่อนั้นและในทันทีที่ละสักยญทิฏฐิได้จิตก็จะได้พบกับนิพพาน คือได้พบกับความสงบอันประณีตซึ่งเป็นความสงบในขั้นโลกุตระหรือพูดอีกนัยยะหนึ่งคือได้พบความว่างความเป็นอิสระคือสามารถควบคุมบังคับความรู้สึกนึกคิดได้อย่างเด็ดขาดสามารถที่จะปัดความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างออกไปจากใจได้ทันทีในเมื่อต้องการจะทำเช่นนั้นครั้นแล้วใจก็จะว่างเป็นอิสระไม่เกาะเกี่ยวไม่ผูกพันอยู่กับสิ่งใด และในเวลาเดียวกันก็จะรู้สึกว่าเราได้ชนะความแก่ความเจ็บและความตายชนะความทุกได้หมดทุกอย่างเราอยู่เหนือความแก่ความเจ็บความตายโปรดจำไว้ให้ดีว่าการเข้าถึงภาวะดังนที่กล่าวมานี่แหละเรียกว่าเป็นการเข้าถึงนิพพานซึ่งในเมื่อเข้าถึงได้แล้วก็จะทำให้พ้นทุกได้จริงๆและผลคือความพ้นทุก หรือความบริสุทธิ์ความสงบอันพระณีตหรือการเอาชนะกิเลสได้ทุกอย่างซึ่งเป็นการชนะอย่างเด็ดขาดไม่มีวันจะแพ้อีกต่อไปผลดังที่กล่าวมานี้จะเกิดขึ้นทันทีภายหลังที่มรรคทั้งแปดสมบูรณ์เช่นความเห็นหรือความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตก็แจ่มแจ้งถูกต้องและในเวลาเดียวกันก็สามารถเข้าสมาธิได้ดีมีวอนทั้ง5้ามีครอบงำ สามารถที่จะใช้ความคิดได้อย่างอิสระโดยไม่มีความคิดอย่างอื่นแทรกเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นเมื่อทําได้อย่างนี้ก็จะทําให้พบกับนิพพานซึ่งในทันทีที่ได้พบความพ้นทุกขหรือความบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นทันทีไม่ต้องรอเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนหรือในสมัยไหนผลที่เกิดจะเหมือนกันหมดและเกิดทันทีในความหมายอย่างนี้ ธรรมะจึงได้ชื่อว่าเป็นอากาลิโกคำอธิบายสั้นๆดังที่กล่าวเมานี้ขอให้พยายามอ่านให้ละเอียดเราจะทำให้ท่านเกิดปิติโสมนัสทำให้เกิดศรัทธาภาสาธาตในธรรมและสำหรับคนที่มักจะคิดอยู่เสมอว่าเราทำความดีไม่ได้ดีไม่เหมือนกับคนบางคนที่เขาทำความชั่วอยู่เสมอแต่ก็ได้ดีตัวอย่างเช่นนี้มีอยู่ทั่วไปในสังคม คนที่เข้าใจธรรมะไม่ซึง้งก็อาจจะหลงผิดตามคนเหล่านั้นแต่สำหรับคนที่เข้าใจแจ่มแจ้งว่าธรรมะเป็นอาการลิโกเขาจะไม่เข้าใจเช่นนั้นเป็นอันขาดขึ้นชื่อว่าทําดีแล้วต้องได้ดีอย่างแน่นอนและได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอเวลาเว้นไว้แต่ว่าในระยะแรกที่ลงมือปฏิบัตินั้นผลที่เกิดก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ยิ่งใหญ่ก็จริง แต่ก็เป็นของแน่นอนว่าจะต้องได้ผลแน่ถ้าจะยังไม่ได้ผลก็ <c oughs> เพราะความดีที่เราปฏิบัติยังไม่สมบูรณ์ธรรมะเป็นอาการลิโกมีความหมายอย่างไรบ้างได้อธิบายมาแล้วบทนี้ต้องพยายามมันนึกบ่อยเช่นเดียวกับบทอื่นๆแต่ก็ต้องรู้จักจังหวะหรือเวลาที่ควรจะนึกหรือพิจารณาเพราะถ้าเรานึกถึงธรรมะไม่ถูกกับจังหวะที่ควรจะนึก มันก็จะเหมือนกับคนที่รับประทานยาเลือกยาไม่ถูกกับโรคหรือไม่รับประทานยาตามที่หมอสั่งผลของยาก็อาจจะไม่เกิดหรือถึงแม้จะเกิดก็ได้ผลไม่ดีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายประเภทหลายระดับต้องรู้จักเลือกว่าในขณะนี้ควรจะนึกถึงธรรมะข้อไหนหรือปฏิบัติธรรมข้อไหนซึ่งถ้าเลือกให้ถูกแล้วจะต้องได้รับผลทันทีไม่ต้องรอเวลาเพราะฉะนั้น คนที่บ่นว่าทำดีมานานแล้วแต่ไม่เห็นได้ดีสักทีคล้ายกับจะเป็นการบอกให้รู้ว่าธรรมะไม่ใช่อาการลิโกซึ่งความเป็นจริงแล้วคนที่ทำความดีมานานถ้าหาจะยังไม่ได้ผลก็เป็นเพราะการปฏิบัติยังไม่สมบูรณ์หรือปฏิบัติทําไม่ถูกจังหวะเรื่องนี้ต้องพิจารณาดูให้ดีอันหนึ่งคาต่อไปนี้คือพุทธพจน์ ซึ่งอยู่ในคำภีธรรมบทถ้าจำไว้ได้จะทำให้เข้าใจชัดขึ้นว่าธรรมะที่ว่าเป็นอาการลิโก้นั้นมีความหมายอย่างไรสัตว์ตัญจะทำโมนะชรังอุเปติธรรมะของสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมไม่เข้าถึงความชราคือไม่มีการเก่าหรือล้าสมัยใช้ไม่ได้และคำว่าธรรมะของสัตว์บุรุษในที่นี้ ท่านอธิบายว่าได้แก่ธรรมะขั้นโลกุตระคือมรสีผลสีและนิพพานหนึ่งมายเหตุ<ม>ผู้อ่านคนในปัจจุบันที่เราเห็นว่าก็ททำชั่วและได้ดีนั้นมีหลักอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าผลดีที่เกิดขึ้นเป็นลาบยศสรรเสริญอะไรก็ตามต้องเกิดจากบุญที่คนคนนั้นเคยทำไว้ก่อนเท่านั้น ที่เห็นก็ได้ดีมีสุขนั้นก็เกิดจากบุญเก่าในอดีตที่เราไม่อาจตามไปเห็นได้ว่าก็เคยทําความดีไว้ก่อนอย่างไรบ้างแต่สิ่งที่เขาได้รับนั้นต้องเกิดจากความดีของเขาแน่นอนถ้าเทียบแล้วก็จะเห็นนะครับว่าคนชั่วอีกหลายคนที่ทําชั่วเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่อาจจะโชคดีมีสุขแบบคนบางคนได้และความชั่วในปัจจุบันที่เขาทํานั้นยังไงเขาก็ต้องได้รับผลในวันใด ว, วันหนึ่งในชาติใดชาติหนึ่ง ซึ่งที่ยังทำได้ยังอยู่ดีมีสุขได้ก็เพราะบุญเก่ายัางหนุนอยู่เท่านั้นแต่สิ่งที่ทุกคนมองไม่เห็นก็คือความทุกข์ใจความเครียดง่ายเดือดร้อนใจง่ายกับเรื่องเพียงเล็กน้อยหรือการหาความสงบสุขภายในจิตใจได้ยากมากเพราะความชั่วที่ทำไว้ยิ่งเพาอภูนเท่าไหรกิเลสตัณหาอุปาทานในใจก็ยิ่งมากขึ้นตามนั้นและจะส่งผลเสียต่อไปซึ่งจะเห็นได้นในระยะยาวนะครับเช่นเมื่อได้ไปเกิดใหม่ ก็อาจกลายเป็นคนดวงซวยที่ทำอะไรก็ไม่ขึ้นทำดีไม่ขึ้นมีแต่เรื่องร้ายๆเข้ามาหาแล้วก็ได้แต่เฝ้าสงสัยว่าฉันทำอะไรไว่มากมายจึงต้องมีความลำบากยากเข็นแบบนั้นบางคนนะครับทำดีแทบตายแต่ก็ยังไม่ได้ดีสักทีเลยเข้าใจผิดไปว่าทำดีไม่ได้ดีเวนกรรมไม่มีจริงทั้งที่สิ่งที่เขาได้รับนั้นก็คือเวนกรรมเก่าของเขานั่นเอง ธรรมคุณประการที่สี่เอหิปัสสิโกคำว่าเอหิปัสสิโกแปลว่าเชิญให้มาดูพระธรรมเป็นสิ่งที่ควรจะเรียกใครตัวใครให้มาดูหรือว่าให้มาพิสูจน์ได้ทั้งนี้ก็เพราะพระธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งสูงที่สุดไม่ต้องกลัวว่าถ้าใครเข้ามาเห็นเข้าแล้วเขาจะหาว่าเราหลอกลวงหรือพูดไม่จริง และไม่ต้องกลัวว่าถ้าเขาเห็นแล้วเขาจะไม่เลื่อมใสนอกจากคนที่มานั้นจะไม่มีปัญญาพอที่จะพิจารณาเห็นเท่านั้นในคำพีวิสุทธิมรรคท่านได้อธิบายไว้ว่าเปรียบเหมือนคนที่กำเพชรอันมีค่าไว้ในมือเพราะฉะนั้นจึงพร้อมที่จะท้าทายหรือเชิญใครตัวใครให้มาดูได้เพราะในกำมือของเขามีเพชรจริงๆและก็เป็นเพชรแท้ ไม่ใช่เพชเทียมหรือไม่ใช่กรรมสิ่งที่กโกกระกรไว้ซึ่งในเมื่อเปิดเผยให้คนอื่นเห็นเขาก็จะรังเกียจและไม่ใช่กรรมมือเปล่าคือในมือไม่มีอะไรเลยซึ่งเมื่อแ บ, บมือออกมาแล้วเขาก็จะหาว่าเราหลอกลวงอุปมาดังที่ท่าน เ, เล่าไวน้นี้ทำให้เราเข้าใจง่ายและทำให้เกิดข้อคิดอีกหลายอย่างแต่ยังไรก็ดี คนที่จะกล้าบอกคนอื่นว่าเชิญให้มาดูได้นั้นจะต้องเป็นที่แน่ใจว่าตัวเองสามารถที่จะเปิดเผยคุณค่าของพระธรรมให้เขาเห็นได้จริงๆขอให้สังเกตว่าสิ่งของอะไรก็ตามที่คนเราจำเป็นจะต้องใช้อยู่เสมอและเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆก็ยังต้องมีการโฆษณาของนั้นจึงจะแพร่หลายคนที่มีของดีถ้าไม่มีการโฆษณา คนทั้งหลายก็ย่อมจะไม่รู้หลักของการค้าเขาถือว่าการโฆษณาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในกิจการทุกอย่างถ้าต้องการจะให้แพร่หลายหรือให้คนรู้จักมากก็ต้องมีการโฆษณาแต่ถ้าสิ่งที่นำออกโฆษนานั้นไม่มีคุณค่าจริงๆหรือโฆษณาไม่เป็นการโฆษนานั้นแทนที่จะทำให้คนทั้งหลายนิยม ก็กลับจะทำให้คนทั้งหลายเสื่อมความนิยมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยโบราณมีการโฆษณากันมากและโฆษณาการทุกวิถีทางที่จะทำให้คนทั้งหลายรู้จักการสร้างวัดให้สวยงามพิธีสำคัญต่างๆทางศาสนาธรรมะมที่จะให้พระขึ้นไปเทศซึ่งสร้างวิอย่างสวยงามและยังมีวิธีอื่นๆอีกหลายอย่าง สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิธีการโฆษณาให้คนทั้งหลายเห็นคุณค่าของพระธรรมทั้งสิน้นขอให้เรานึกถึงเหตุการณ์สมัยก่อนซึ่งการสังคมทุกอย่างรวมอยู่ในวัดโรงหนังโรงละครโรงแรมสถานชักจูงอย่างอื่นไม่มีเมื่อคนว่างจากการงานและมีเรื่องที่จะต้องสังสรรค์กันหรือร่วมมือกันทำอะไรก็มักต้องมีเรื่องทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ แม้กระทั่งการขับร้องประเภทต่างๆก็จะต้องขึ้นต้นด้วยคำร้องสรรเสริญพระรัตนตรัยด้วยเหตุนี้การโฆษณานในทางศาสนาในสมัยก่อนจึงได้ผลมากส่วนในสมัยปัจจุบันมีสิ่งชักจูงต่างๆเกิดขึ้นมากมายที่จะดึงความสนใจของคนทั้งหลายให้ห่างออกไปจากทางศาสนาเกือบจะพูดได้ว่าคนส่วนใหญ่แต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านล่วงไป ใจิตใจของเขาก็มักจะสนใจอยู่กับสิ่งภายนอกไม่ค่อยจะสนใจกับทางศาสนาเลยและการโฆษณาของทางศาสนาอย่างที่ทาอยู่ในเวลานี้ก็ไม่ค่อยดึงดูดใจิตใจคนเท่าไรนักนอกจากนี้บางอย่างก็กลับทำให้คนส่วนใหญ่ดูถูกเพราะทางศาสนาไม่พยายามที่จะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้เห็นเด่นชัดออกมาจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนทั้งหลายในสมัยปัจจุบันนี้ ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆอย่างมากมายทางศาสนาก็ไม่ค่อยได้ยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นโดยเฉพาะปัญหาในด้านจิตใจคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าศาสนาไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้แก่เขาด้วยเหตุนี้คนในสมัยปัจจุบันจึงได้พากันเหินห่างจากศาสนามาก คนที่กรรมมือเปล่าหรือกรรมสิ่งที่ซึ่งตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆแน่นอนเขายอมไม่ปราถนาที่จะแบมือแล้วเชิญให้ใครตัวใครมาดูข้ออุปมาอันนี้มีความหมายลึกซึง้งทำไมการโฆษณาธรรมจึงไม่ค่อยได้ทำเพื่อให้ได้ผลจริงๆด้วยการยอมลงทุนกันมากๆและหาทางทุกๆทางที่จะให้พระธรรมเข้าถึงประชาชน ทำไมผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการเผยแพ ร, แร่ศาสนาจึงนิยมทำแต่ตามวิธีแบบโบราณอย่างที่เคยทำกันมานานแล้วทั้งๆ ท, ที่ไม่ค่อยได้ผลทำไมไม่หาวิธีอื่นที่ดีกว่านี้และทำไมผู้ที่เป็นคารวาสซึ่งบางคนมีทั้งทุนทรัพย์และสติปัญญาจึงไม่ใช้ทุนไม่ใช้สติปัญญามาเพื่อการเผยแพ ร, แร่ศาสนาโปรดคิดดูสักหน่อย แล้วเราก็จะลายเห็นข้อเปรียบเทียบซึ่งแตกต่างกันมากเช่นสิ่งก่อสร้างในทางโลกการส่งเสริมการศึกษาในทางโลกถ้าเปรียบเทียบกับในทางศาสนาแล้วเราจะเห็นว่าผิดกันมากมายสถานมหรสพเช่นโรงหนังโรงละครราคาแพงกว่าการสร้างโบสถ์หรือสร้างศาลาหรือสถานศึกษาในทางศาสนาหลายเท่าความสนใจของคนส่วนใหญ่ ที่จะศึกษาในทางศาสนาก็มีน้อยกว่าในทางโลกมากมายจนกระทั่งคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้เกิดความรู้สึกว่าศาสนาไม่ช่วยอะไรเขาเลยนี่คือภายอันใหญ่หลวงที่กําลังคุกคามสังคมอยู่หรอกในเมื่อคนทั้งหลายไม่เห็นคุณค่าของศาสนาแล้วก็ย่อมหมายถึงคนส่วนใหญ่ไม่สนใจต่อศีลธรรมแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรในเมื่อคนทั้งหลายหันหลังให้กับศีลธรรม ความยุ่งยากต่างๆในปัจจุบันบอกให้เห็นชัดอยู่แล้วมาเหตุ<ม>ผู้อ่านแต่ในปัจจุบันก็มีการทุ่มทุนสร้างบทศสล า, ากันใหญ่โตบางทีก็เป็นหลายร้อยถึงหลักพันล้านนะครับแต่ก็ปรากฏว่าไม่ได้ช่วยอะไรได้จริงนอกจากทำให้ตื่นตะลึงและบางทีก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้นถ้าจะเทียบเรื่องนี้กันจริง น่าจะหมายถึงส่วนของสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับคือจะให้สังเกตว่าเมื่อเราจะไปปฏิบัติธรรมสถานที่ปฏิบัตินั้นจะแตกต่างกับสถานที่สร้างกิเลสอย่างมากมายเราเข้าโรงหนังไปรีสอร์ทหรือไปอะไรก็ตามเขามาจะจัดไว้อย่างดีไปถึงแล้วสบายอกสบายใจมีเครื่องปรับอากาศอย่างดีทำให้ร่างกายพร้อมจะสงบแต่กลับมามองดูสถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไปนะครับที่มักจะออกปเป็นแนวกั n d า n หรืออาจจะไม่เอ้อต่อความสงบได้จริงในขณะที่เราเป็นเมืองร้อนสถานที่ปฏิบัติก็แลดูไม่สับปายะกับคนรุ่นใหม่หรือคนทั่วไปไดเท่ากับสถานที่ท่องเที่ยวเคยคิดเล่นๆนะครับว่าทำไมเวลาไปสร้างกิเลสไปเพิ่มพูนกิเลสเนี่ยสถานที่ช่างสับปายะสะดวกสบายเหมาะกับการเสริมสร้างกิเลสไจริงแต่พอจะปฏิบัติทมกลับหาสถานที่สับปายะที่เหมาะกับจริตได้ยากเหลือเกิน ต้องเข้าใจนะครับว่าคนเมืองและคนรุ่นใหม่หรือคนที่กําลังสนใจทําใหม่ๆนั้นในขั้นเริ่มต้นนั้นจะให้ไปปฏิบัติไปกินไปอยู่แบบพระที่เคร่งที่ต้องสมรถะตัดขาดจากความสะดวกสบายทันทีมันเป็นเรื่องที่ทําได้ยากนะครับนอกจากจะมีศรัทธากันจริงและมีความพร้อมกันจริงเอาแค่เบื้องต้นคนที่อยู่ห้องแอร์มาตลอดชีวิตพอจับไปปฏิบัติธรรมไปเจออากาศร้อนไปเจอสถานที่แคบแคบต้องนอนรวมนั่งรวมกับคนอื่น มันก็มีผลนะครับให้เขาเบื่อหน่ายหรือรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยากสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลายคนยังไม่เข้าใจนะครับว่าคนที่มาใหม่ที่เริ่มสนใจธรรมนั้นต้องอาศัยสถานที่สัปปายะที่เหมาะกับจริตของแต่ละคนด้วย mm. เมื่อปฏิบัติได้ถึงจุดหนึ่งแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยๆลดความหมายลงไปเองหาสถานที่เหมาะสมอากาศเย็นสบายที่อยู่ที่พักโร่งสบาย อาหารการกินเหมาะสมและไม่บังคับเข้มงวดเกินไปเกินวัยของเด็กหรือเกินความสามารถของผู้ที่เริ่มต้น <c oughs> ก็เปรียบเหมือนเป็นบันไดทีละขั้นให้เขาค่อยๆได้ก้าวเดินและก้าวเดินอย่างมั่นคงด้วย <c oughs> การจับคนไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมหลายแห่ง <c oughs> ก็ไม่ต่างกับการจับเด็กอนุบาลที่ร่างกายยังไม่แข็งแรงให้ไปเข้าค่ายฝึกกีฬาเหมือ น, นักกีฬาอาชีพที่ต้องมีการฝึกอย่างเข้มงวดและการฝึกหลายอย่างนั้น เหมาะกับนักกีฬาระดับอาชีพเท่านั้นหรือเหมาะกับคนที่มีร่างกายกำยำพอจะทำสิ่งเหล่านั้นได้ซึ่งเมื่อจับเด็กอนุบาลไปฝึกแบบผู้ใหญ่ผลเสียหายก็ตามมาอย่างมากมายถ้าไม่ร่างกายเจ็บป่วยก็ทำให้เข็ดขยาบและกลัวการปฏิบัติแบบนั้นไปตลอดชีวิตซึ่งหลายวัดนะครับที่ทุ่มเงินมหาศาลไปกับการสร้างโบสถ์สร้างวิหารที่สวยงามใหญ่โตแต่กลับไม่คิดจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมที่ทันสมัย ที่สัายะและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่กันได้จริงเลยก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วว่าตามคำอธิบายในคำภีวิสุทธิมรักนั้นคำว่าธรรมหรือธรรมะในเรื่องพระธรรมคุณ น, นี้ท่านหมายถึงธรรมะในขั้นโลกุตระ และที่ท่านเปรียบว่าเหมือนเพชรอยู่ในกำรรมือคำว่าเพชรนั้นท่านหมายถึงธรรมะในขั้นโลกุตระจากคำอธิบายของท่านนี้แสดงให้เห็นว่าคนที่จะเห็นคุณค่าของพระธรรมหรือเห็นคุณค่าของมรรคสี่ผลสี่และนิพพานอีกหนึ่งนั้นจะต้องเป็นคนที่ปฏิบัติในทางสมาธิวิปัสสนาและต้องปฏิบัติได้สูงด้วยจึงจะมองเห็น แปลว่าถ้าคนไหนไม่เคยปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนาหรือปฏิบัติแต่ไม่เคยได้พบกับความสงบและความแจ่มใสที่เกิดจากสมาธิและวิปัสสนาก็เป็นไปไม่ได้อยู่เองที่จะมองเห็นคุณค่าของพระธรรมเพราะฉะนั้นการเชิญให้มาดูก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะมันเหมือนกับคนที่กาเพชไว้ในมือทั้งที่แบมือออกให้เห็นแต่คนดูตาบอดมาตั้งแต่กาเนิดแล้ว เขาจะเห็นเพชได้อย่างไรและมีหลักตายตัวอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่ยังเข้าไม่ถึงธรรมขั้นโล ก, กุตระก็แปลว่ายังเข้าไม่ถึงพระรัตนตรยัยและเมื่อเป็นเช่นนี้ศรัทธาที่เขามีอยู่ในทางศาสนาก็อาจจะวันไหวไปตามสิ่งแวดล้อมหรือไปตามความจริงของฝ่ายวัตถุได้ดังที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นการแปลประหลาดอะไร ที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สนใจต่อศาสนาเพราะแม้แต่ในวัดทั่วไปพระที่สนใจต่อการปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนาก็มีน้อยมากส่วนใหญ่สนใจแต่ในเรื่องการศึกษาซึ่งจุดหมายปลายทางก็เพื่อหวังผลในทางวัตถุไม่ใช่เพื่อการกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานอันหนึ่งการที่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจต่อศาสนานั้น สาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็เนื่องจากคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ฟืนกับความรู้สึกของโลกเหมือนกับเด็กที่อยากจะทําอะไรตามอารมณ์แต่เมื่อต้องมาอยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์เด็กทําอะไรไม่สะดวกเพราะคําสั่งหรือคําแนะนําของพ่อแม่หรือของครูบาอาจารย์นั้นมักจะขัดหรือฝืนความรู้สึกของเด็กเมื่อเป็นเช่นนี้เด็กก็จะพยายามอยู่ห่างพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ และยิ่งพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์เข้มงวดกับเด็กมากเด็กก็ยิ่งจะพยายามหาทางอยู่ห่างให้มากขึ้นไปอีกเพื่อจะได้ทำอะไรตามใจชอบแต่อย่างไรก็ตามในบรรดาเด็กเหล่านี้ถ้าคนไหนเชื่อฟังแล ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วคนเหล่านี้เท่านั้นจึงจะรู้สึกถึงคุณค่าแห่งคำแนะนำหรือข้อบังคับต่างๆของพ่อแม่และของครูบาอาจารย์และเนื่องจากทุกวันนี้ เรามีวิธีหลายอย่างที่จะทำให้เด็กเชื่อฟังและยินดีที่จะปฏิบัติตามได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กฉนั้นเราจึงเห็นว่าเด็กมีจำนวนไม่น้อยที่ยินดีที่จะอยู่ในข้อบังคับของพ่อแม่และครูบาอาจารย์อยู่เสมอในทางศาสนาก็เหมือนกันถ้าหากผู้ทำการเผยแพร่มีความฉลาดในอันที่จะชักจูงคนส่วนใหญ่ก็จะมองเห็นคุณค่าของศาสนา จะไม่ทำตัวห่างจากศาสนาแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นหน้าที่ของทางคณะสงฆ์ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเท่าที่เขียนมานี้ก็เป็นแต่เพียงแ น, แนวให้เห็นว่าพระธรรมแม้จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเป็นสิ่งที่สามารถจะท้าทายหรือเชื้อเชิญให้ใครๆมาดูมาพิสูจน์อย่างไรก็ได้จริงเพราะในพระพุทธศาสนานั้นมีเพชร ที่มีค่าสำหรับโลกจริงๆเปรียบเหมือนคนที่กาเพชรไว้ในมือแต่ถึงกระนั้นก็อย่าลืมเป็นอันขาดว่าพระธรรมไม่ใช่เป็นวัตถุพระธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมองเห็นได้ด้วยตาหรือจับต้องได้คนที่มีความรู้แต่ธรรมะแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมคือไม่ได้ฝึกหัดในทางสมาธิวิปัสสนาจนกระทั่งมีผลแก่ตัวเองนั้น ถ้าหากจะนำพระธรรมไปแนะนำสั่งสอนแก่ใครก็จะคล้ายๆกับคนที่กำมือเปล่าแม้จะแบ์มือให้เขาดูแต่แล้วเขาก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรนี่คือข้อที่น่าคิดอย่างยิ่งธรรมคุณประการที่ห้า โอปนญิโกโอปนญิโกแปลว่าคนนำเข้ามารัธรรมที่ได้ชื่อว่าโอปนญิโกก็เพราะเป็นสิ่งที่ควรจะนำมาใส่ไว้ในใจของตัวในคำพีวิสุธทธิมรตท่านได้เปรียบไว้ว่าผู้ปฏิบัติกรรมฐ า, านด้วยการเพ่งไฟซึ่งในเมื่อปฏิบัติได้ดีจนจิตเป็นสมาธิแล้ว เมื่อหลับตาก็ยอมจะเห็นไฟปรากฏชัดอยู่ในใจข้อนี้ฉันใดพระธรรมก็เป็นสิ่งที่ควรจะนำเข้ามาไว้ในใจและต้องให้รู้สึกเห็นชัดเหมือนกับผู้ที่ได้กสินซึ่งในเมื่อหลับตานึกถึงไฟที่ไรก็จะเห็นไฟปรากฏชัดอยู่ในใจทุกขณะฉันนั้นข้ออุปมานี้โปรดจำไว้ให้ดีเพราะจะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายว่าการรู้หรือการจาธรรมะได้ตามตารา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 คือต้องให้ธรรมะมีอยู่ในใจจริงๆไม่ใช่เพียงแต่รู้ธรรมะเฉยๆแต่ปฏิบัติตามไม่ได้อันหนึ่งธรรมะที่ควรจะน้อมนําเข้ามาไว้ในใจนี้ตามที่ท่านอธิบายนั้นหมายถึงธรรมะในขั้นโลกุตระธรรมซึ่งมีอยู่9อย่างคือมรซีผลซีนิพพาหนึ่งก็คือคนที่มีมร์อยู่ในใจคือคนที่มีมร์แป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 เรียกว่าน้อมนำธรรมะเข้ามาไว้ในใจได้แล้วคือธรรมะมีอยู่ในใจเสมอความมุ่งหมายที่ท่านอธิบายไว้ต้องการจะให้เราปฏิบัติจนกระทั่งมรซี 4, ผล .4 ีเกิดขึ้นในใจจริงๆและสามารถเข้าถึงนิพพานได้จริงๆทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะมารซี 4, ผล .4 ีและนิพพานหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะในขั้นโลกุตระนี้เป็นสิ่งที่ควรจะน้อมนาเข้ามาไว้ในใจ คือควรจะทำให้มีให้เป็นขึ้นในใจควรจะทำให้ปรากฏขึ้นในใจคําอธิบายตามความหมายในคาภีดังที่ได้กล่าวมานี้ผู้ที่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนายากที่จะเข้าใจได้แต่อย่างไรก็ดีความหมายเท่าที่ท่านอธิบายมานั้นไม่ใช่เป็นความหมายทั้งหมดเพียงแต่ท่านหยิบประเด็นที่สาคัญแง่หนึ่ง ขึ้มาอธิบายเพื่อให้เห็นว่าธรรมะที่ควรเก็การน้อมนําเข้ามาไว้ในใจของตนคืออะไรเพราะเหตุที่ความหมายของคําว่าโอปัญิโกนี้ยังมีอีกหลายแง่ฉะนั้นข้าพเจ้าจะขออธิบายความหมายในแงอน่อื่นๆ อ, อีกเพื่อคนทั่วๆไปจะได้เข้าใจง่ายและเกิดความเลื่อมใสในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันที่จริงคําว่าโอปัญิโกแปลได้หลายอย่าง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 ก็สามารถจะนำมาปฏิบัติได้คือทำให้มีให้เป็นขึ้นที่ตนได้โดยไม่ต้องซื้อหาแต่ประการใดธรรมคุณประการที่6ปัจจตังเวทิตพโพวินโูหี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 มีสัตว์ร้ายชุกชุมและยังมีอันตรายต่างๆที่เกิดจากน้าอีกเช่นคลื่นจัดน้ําดูดอย่างนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้จึงต้องสร้างเรือหรือแพในทํานองเดียวกันคนที่ยังมองไม่เห็นฟังก็ยังมองไม่เห็นนิพพานยังไม่เข้าใจใเรื่องนิพพานเขาก็จะมีความสงสัยอยู่เสมอหรือไม่ก็ลังเลว่าการทาความดีหรือการมีคุณธรรมต่างๆ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 บางคนอาจจะสงสัยว่าสันทิติกโกกับปัจจตังเวทิตพโพวินยุหิดูจะมีความหมายเหมือนกันแต่ถ้ามีความหมายเหมือนกันเหตุชไหนจึงต้องมากล่าวซ้ำอีกข้อนี้ขอเรียบปรดจำไว้ให้ดีว่าคำว่าสันทิติกโกนั้นหมายความว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อตามตำรา ห, หรือตามผู้สอน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 พระสังฆคุณก้าวบท 1. ่สุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังคโฆสังฆคุณแปลว่าคุณของพระสงฆ์ซึ่งคำว่าคุณในที่นี้หมายถึงคุณสมบัติหรือคุณความดีและคำว่าพระสงฆ์ในที่นี้ก็หมายถึงหมู่ของพระอริยบุคคล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 สังฆคุณประการที่สองอุชุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนแปลว่าเป็นผู้ปฏิบัติตรงท่นานอธิบายว่าหมายถึงปฏิบัติตรงตามทางสายกลางไม่คล้องแวกกับเรื่องการมสุขคันลิกานุโยกและอัตตากิละมัทานุโยกคือปฏิบัติตรงตามมรรคแปดจริงๆ และอีกนัยยะหนึ่งท่านอธิบายว่าหมายถึงไม่มีมารยาสาไถยมารยาแปลว่าเจ้าเล่หรือหลอกลวงสาไทแปลว่าโอ้วดหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงก็คือเป็นผู้ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ต่อตัวเองและคนอื่นไม่มีการคดในข้องอในกระดูก หลอกให้คนอื่นเข้าใจผิดเพื่อหวังผลในทางลาบสักการะและไม่มีการโอ้อวดด้วยซึ่งในบางกรณีคนที่โอ้อวดตัวเองก็เป็นภัยต่อสังคมอย่างร้ายกาจการมาสุขคันลิการุโยคคือการหมกมุ่นอยู่ด้วยกามาสุขคาว่าการในทางศาสนาไม่ได้หมายถึงเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างที่คนทั่วไปเข้าใจนะครับแต่หมายถึง รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าปรารถนาที่น่าชอบใจเช่นการติดในการกินติดใจในรสอาหารก็เรียกว่าเป็นการติดในกามเช่นเดียวกันอัตากิละมัฐานุโยค ก, การประกอบความลำบากเดือดร้อนตนเป็นทุกข์ไม่เป็นอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและผู้อื่นอัถคถาว่า คือศิลปัฒปรามาสการยึดถือหลักการและข้อปฏิบัติต่างๆเลยเถิดไปไม่ตรงตามความหมายและความมุ่งหมายของมันเพราะขาดปัญญาไม่รู้ไม่เข้าใจความหมายและความมุ่งหมายของการปฏิบัตินั้นโดยเป็นการปฏิบัติเพราะความโง่หลงงม ง, ง, ง, งายบ้างเพราะโลภะบ้างเพราะโทสะบ้างสำหรับเรื่องทางสายกลางแนะนำให้ฟังจากเสียงอ่านพุทธธรรมเรื่องมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งทางจุมรงผลดีจะททำไว้แล้วนะครับสังคคุณประการที่สายายะปฏิปันโนยายะปฏิปันโนแปลว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นคำว่ายายะในที่นี้ตามศัพท์แปลว่า ธรรมะที่ควรรู้ซึ่งในที่นี้ท่านหมายถึงนิพพานเพราะฉะนั้นคำว่าญาญาปฏิปันโนจึงแปลว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเพราะคำว่านิพพานในความหมายทั่วไปก็คือการหลุดพ้นจากกิเลสหรือนามรูปสังฆคุณประการที่สี่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 และถ้าหากเราได้นำมาใช้นานมาแล้วประชาชนก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้เลยสังฆ ค, คุณประการที่หอาคุนโยข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องสังฆ ค, คุณมาแล้วสี่บท และทั้งสี่บทนั้นเป็นคุณสมบัติประจำตัวของพระอริยบุคคลทุกองค์ส่วนสังฆควณคอีกห้าบทที่จะอธิบายต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นกล่าวคืออาหุเนโยเป็นผู้ควรแก่ของที่นำมาบูชาข้อนี้หมายความว่าใครจะนำปัจจัยสี่หรือเครื่องสักการะอันใดก็ตามมาถวายพระอริยบุคคลนั้น ท่านเป็นบุคคลที่สมควรจะรับสิ่งของที่เขานำมาถวายทุกอย่างทางนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเพราะท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นและเป็นผู้ปฏิบัติสมควรสังฆ ค, คุณประการที่หปาหุเนยโยเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับ ข้อนี้หมายความว่าพระอริยะบุคคลเมื่อไปหาใครซึ่งจะไปด้วยเหตุใดก็ตามหรือจะมีใครนิมนต์ท่านไปด้วยเหตุอันใดก็ตามท่านเป็นบุคคลสมควรที่จ้ของบ้านจะเึิ่งให้การต้อนรับด้วยการแสดงความเคารพนับถือหรือด้วยปัจจัยสีหรือด้วยเครื่องสักการะต่างๆหรืออีกนัยะหนึ่งท่านเป็นบุคคลที่สมควรจะได้รับอาครตุกาทานคือสิ่งของที่เตรียมไว้ สำหรับการบริจาคให้แก่ผู้ที่เป็นอาคัรตุกะสังคคุณประการที่7็ทักคินเโ ย, โยเป็นผู้ควรแก่ของทาบุญทักคินาในที่นี้หมายถึงสิ่งของที่เจ้าของได้เตรียมเอาไว้สําหรับทาบุญเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว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 เป็นผู้ควรแกการยกมือไหว้ซึ่งหมายความว่าพระอริยบุคคลทุกองค์เป็นบุคคลที่สมควรจะได้รับการเครารพกราบไหว้สังฆคุณประการที่9อนุตรังปุญญาเขตตังโลกสะเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกซึ่งหมายความว่า พระอริยบุคคลทุกองค์เป็นผู้ที่สามารถจะยังบุญกุศลให้เกิดขึ้นแก่โลกได้อย่างดีที่สุดซึ่งเปรียบเหมือนนาที่ดีซึ่งจะก่อให้เกิดข้าวงอกงามมากคุณสมบัติของพระอริยบุคคลทั้งหประการดังที่ได้อธิบายมาโดยสังเขนี้เป็นเรื่องที่ควรจะคิดให้ละเอียดโดยเฉพาะคือต้องพิจารณาให้เห็นแจ้งว่า เพราะอะไรท่านจึงเป็นบุคคลที่สมควรแก่ของที่นำมาบูชาหรือเป็นแขกที่สมควรที่ไกลๆจะพึงต้อนรับอย่างนี้เป็นต้นและจะต้องเข้าใจให้ดีว่าคุณสมบัติของพระอริยบุคคลนั้นเป็นหลักสากลเพราะใครก็ตามถ้าหากว่าได้เรียนรู้ถึงชีวิตของพระอริยบุคคลให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วทุกคนที่เข้าใจก็จะมีความเห็นตรงกันว่า ท่านเป็นบุคคลที่สมควรแก่ของที่จะนำมาบูชาเป็นบุคคลผู้สมควรที่ใครๆจะพึงให้ความเคารพทั้งนี้ก็เพราะบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นและตั้งตนไวในฐานะอันเหมาะสมเสมอนั้นย่อมเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อโลกอย่างแท้จริงและไม่ว่าคนชาติไหนนับถือศาสนาอะไรก็ต้องการบุคคลที่ประพฤติตนเช่นนี้ทั้งนั้น พระอริยบุคคลทุกองค์ถ้าหากใครได้รู้จักได้ใกล้ชิดได้มีโอกาสถวายสิ่งของแก่ท่านทุกคนจะไม่ผิดหวังเพราะท่านจะไม่ทาให้ใครเกิดความเสียหายหรือเกิดความเดือดร้อนแต่ประการใดตรงกันข้ามมีแต่จะทําให้ผู้ที่มาเกี่ยวข้องมีความสุขและมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นเพราะท่านเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดาเนินชีวิตถูกทางส่วนคนในโลกส่วนมาก ล้วนล่แต่ดำเนินชีวิตผิดทางและทางที่ว่านี้หมายถึงทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์และทางแห่งความพ้นทุกข์นั้นมีอยู่ทางเดียวคือมัคมีองค์ดเพราะฉะนั้นปราบใดที่เรายังไม่ปฏิบัติตามมัคมีองค์8เราก็ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้เลยและการที่จะปฏิบัติตามมัคมีองค์ดนั้นเป็นสิ่งที่ทาได้ยากมาก แต่ถ้าหากคนไหนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระอริยบุคคลคนนั้นก็จะเกิดความเลื่อมใสในความประพิของท่านและครั้นแล้วเขาก็จะปฏิบัติตามได้โดยไม่ยากทั้งนี้ก็เพราะท่านเป็นบุคคลที่จะทาให้ผู้ที่พบเห็นท่านเกิดสถานในตัวท่านได้ง่ายมากแต่ทั้งนี้ไม่นับบุคคลบางประเภทที่ถึงแม้จะเข้าใกล้ท่านได้พบเห็นท่านได้ฟังคาพูดจากท่าน แต่เพราะเหตุที่พื้นจิตใจของบุคคลประเภทนี้ตามเกินไปจนกระทั่งไม่สามารถจะมองเห็นความดีในตัวของท่านได้ซึ่งในเมื่อมองไม่เห็นก็เป็นของธรรมดาอยู่เองที่จะไม่เกิดความรู้สึกว่าท่านเป็นบุคคลที่สมควรจะได้รับของที่นำมาบูชาหรือเป็นแขกที่มีเกียรติอย่างสูงที่สมควรจะให้การต้อนรับอย่างดีแต่สาหรับผู้ที่เข้าใจชีวิตของท่านไม่มีใครที่จะไม่เกิดความเลื่อมใสในตัวท่าน ความประพฤติที่ดีของท่านเป็นปัจจัยสำคัญมากที่จะจูงใจให้คนที่เข้ามาใกล้ชิดเกิดศรัทธาภาษาทะเขาได้โปรดพิจารณาดูให้ซึ้งว่าความดีเป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับโลกถ้าหากเราไม่มีโอกาสได้พบคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงจริงๆศรัทธาที่มีต่อความดีก็ยากที่จะเกิดหรือที่มีอยู่แล้วก็ยากที่จะเจริญยิ่งขึ้น เราทราบกันอยู่แล้วว่าการประพฤติความดีเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ถึงกระนั้นถ้าหากเราได้พบพระอริยบุคคลจริงๆเราก็จะทำความดีได้โดยไม่ยากทั้งนี้ก็เพราะความประพฤติที่ดีงามของพระอริยบุคคลนั้นย่อมจะจูงใจให้บุคคลที่ใกล้ชิดกับท่านเกิดศรัทธาในอันที่จะปฏิบัติความดีได้ง่ายขึ้นด้วยเหตุนี้ท่านจึงเป็นบุคคลผู้สมควร ที่จะนำของมาบูชาหรือเป็นแขกที่ทุกคนควรจะต้อนรับด้วยความเคารพเพราะผู้ที่ทำความดีย่อมจะได้บุญกุศลมากมายซึ่งคำว่าได้กุศลมากมายนี้ข้าพเจ้าหมายถึงว่าเขาผู้นั้นจะมีคุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นแล ะ, จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นการมีศรัทธาต่อความดีศรัทธาต่อคนที่ประพฤติดี อันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับมนุษยชาติเพราะโดยธรรมดาถ้าหากคนเราไม่ศรัทธาต่อความดีแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะประพฤติตัวเป็นคนดีได้เลยก็ในบรรดาบุคคลซึ่งจะเป็นที่ตั้งของศรัทธานั้นย่อมไม่มีใครที่จะเป็นได้ดีเท่ากับพระอริยบุคคลขอให้พยายามศึกษาคุณสมบัติทั้งสี่ประการข้างต้นให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็จะมองเห็นได้เองว่า ถ้าหากในโลกไม่มีคนดีอย่างพระอริยบุคคลเกิดขึ้นในโลกแล้วก็เป็นการยากจริงๆหรือว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะชักจูงคนส่วนใหญ่ให้หันมานิยมในทางความดีเหตุการณ์ทุกวันนี้ที่มีแต่ความเสื่อมโทรมในด้านศิลธรรมก็เนื่องจากคนส่วนมากพบแต่คนไม่ดีทัศนะในการดำเนินชีวิตจึงได้ผิดไปและล่าเหตุการณ์ที่รุนแรงหรือความเดือดร้อนต่าง อันเกิดจากคนส่วนใหญ่ไม่มีศีลธรรมจึงได้แปร่หลายอย่าลืมว่าการที่คนเราจะทำอะไรได้จําเป็นจะต้องมีตัวอย่างคนที่คิดทำอะไรได้เองก่อนคนอื่นถึงแม้มีอยู่ก็จริงแต่ก็มีอยู่น้อยมากคนที่จะทำอะไรได้ส่วนมากต้องได้เห็นตัวอย่างมาก่อนพระอริยบุคคลทุกองค์ไม่เคยทำให้ใครผิดหวัง เพราะท่านไม่มีการถอยหลังท่านเคยประพฤติดีอย่างไรก็จะดีอย่างนั้นตลอดไปและความดีต่างๆตามที่ท่านมีอยู่นั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งจําเป็นที่จะทำให้พ้นทุกข์ทำให้โลกดารงอยู่ได้โดยสันติทั้งเป็นสิ่งที่สามารถจะก่อให้เกิดศรัทธาในทางดีแก่ผู้อื่นได้ง่ายอีกด้วยในปัจจุบันนี้ถ้าหากจะมีพระอริยบุคคลเกิดขึ้นไม่กี่องค์โลกก็จะต้องดีกว่านี้มากมายทีเดียว หนึ่งการที่เราจะมีโอกาสใกล้ชิดกับพระอริยบุคคลนั้นโดยธรรมดาจะต้องมีอะไรเป็นสื่อกลางสำหรับสร้างความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเราถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสเข้าใกล้ชิดท่านได้เลยเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีสิ่งของอะไรนำไปถวายท่านหรือบางครั้งนิมนต์หรือเชิญท่านมาที่บ้านหรือเมื่อพบปากท่านที่ไหนก็แสดงความเคารพนับถือ การกระทําต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเราให้สนิทสนมยิ่งขึ้นและในเมื่อมีความสนิทสนมกับท่านเกิดศรัทธาในตัวท่านแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่ได้ชื่อว่ารู้จักบูชาสิ่งที่ควรบูชาและจะมีกําลังใจในอันที่จะทําความดีอยู่เสมอด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก อย่าลืมว่าคําว่าบุญหมายถึงคุณธรรมหรือความดีต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจของคนเราอันหนึ่งคนส่วนมากมักจะเข้าใจเรื่องสังฆคุณข้อสุดท้ายแต่ในแง่ที่ว่าถ้าผู้ใดได้บริจาคทานแก่พระอริยบุคคลเขาก็จะได้บุญมากมายซึ่งบุญที่ว่านี้หมายถึงจะทําให้เขาเกิดมาร่ำรวยได้เป็นใหญ่เป็นโต มีความสุขความเจริญมากแต่ความเป็นจริงถึงแม้เราจะไม่ได้ถวายอะไรแก่ท่านเพราะเราไม่มีอะไรจะถวายแต่เราก็มีความเลื่อมใสในตัวท่านจากความเลื่อมใสนี่แหละจะเป็นเหตุทาให้ความดีต่างๆในจิตใจของเราเจริญงอกงามเช่นจะทำให้ความเมตตากรุณาความขยันความอดทนความกล้าหาญตลอดถึงความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดของเราสูงขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่า ได้บุญมากเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจะคิดแต่ในแง่เดียวที่ถือกันว่าถ้าเราบริจาคทานให้กับคนที่ถูกศีลหรือคนที่มีความประพฤติไม่ดีจะทำให้ได้อ น, นิสงน้อยซึ่งหมายถึงว่าเมื่อเราเกิดในชาติหน้าก็จะทำให้เราไม่ร่ำรวยเท่าไหร่นักแต่ตรงกันข้ามถ้าเราได้มีโอกาสได้บริจาคทานให้กับพระอริยบุคคลสิ่งของที่ถวายท่านแม้จะเป็นสิ่งของเพียงเล็กน้อย ไม่ค่อยจะมีค่าแต่ก็จะได้อ น, นิสงฆ์มากมายซึ่งความเชื่อดังที่กล่าวมานี้แม้จะเป็นความจริงแต่เราก็ไม่ควรจะเข้าใจในเรื่องนี้แค่ไปคือเข้าใจแต่ในแง่ที่ว่าเมื่อเราได้บริจาคทานให้กับพระอริยบุคคลแล้วได้บุญมากนั้นหมายถึงจะทาให้เราร่ำรวยมากอะไรทำนองนี้ยังมีอีกแง่หนึ่งที่ควรจะคิดก็คือ เพราะเหตุที่พระอริยะบุคคลนั้นมีทั้งพระและคารวาสมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีทั้งหญิงและชายฉะนั้นคําว่าหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกนั้นย่อมหมายถึงอย่างนี้ด้วยกล่าวคือสมมติว่าท่านเป็นครูก็จะทําหน้าที่ครูได้ดีมากคือสามารถที่จะให้ความรู้แก่ศิษย์ได้อย่างดีและสามารถที่จะแนะนําสั่งสอนศิษย์ ให้เป็นคนดีได้ง่ายด้วยครูที่เป็นอริยะแม้เพียงหนึ่งคนเมื่อเกิดขึ้นในถิ่นไหนก็ยอมจะทำให้คนทั้งหลายในถิ่นนั้นกลายเป็นคนดีได้มากมายและในทํานองเดียวกันถ้าท่านเป็นในแพทย์เป็นพ่อค้าเป็นเกษตรก ร, กรหรือเป็นอะไรก็ตามท่านก็สามารถที่จะยังประโยชน์และความสุขให้เกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายได้มากมายเช่นสมมติว่าในโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีครูที่เป็นอริยบุคคลนักเรียนในโรงเรียนนั้นจะได้รับผลดีมากมายสักเพียงไรในเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่นๆซึ่งมีครูเป็นปูทุชนถึงแม้จะมีความสามารถสูงแต่คุณธรรมไม่สูงใครจะเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ได้มากกว่ากันในทำนองเดียวกันในโรงพยาบาลหรือในสถานที่ราชการหรือในวงงานใดๆก็ตามถ้ามีพระอริยบุคคลอยู่ในที่นั้ น, น, น ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งรวมทั้งความดีต่างๆที่คนอื่นจะได้รับนั้นจะต้องมีมากกว่าคนธรรมดาอย่างแน่นอนและด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกและที่สำคัญที่สุดก็คือการที่คนเราจะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อจะต้องมีความดีอย่างเพียงพอและการที่จะมีความดีอย่างเพียงพอนั้น ถ้าไม่ได้อาศัยพระอริยาบุคคลแล้วความดีที่ว่านั้นก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เลยเขมาเขมาสรณะมณนะบริธีปิกาคถามนุษย์ส่วนมากในเมื่อถูกภัยคุกคามหรือเกิดความกลัวหรือต้องการผลยังใดอย่างหนึ่ง